บัพระมาถึงนะาตโยมสาทุชนก็มาวัดกันนะเพื่อทำความดีนะสร้างบุญสร้างกุศลเติมความปิติอิ่มเ อ, อิบให้กับจิตใจนะโดยการมาถวายทานบ้าง ด้วยการมารักษาศีลบ้างแต่นอกเหนือจากการเติมความดีลงไปในจิตใจแล้วนะก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้ความหลงเข้ามาครอบงมใจด้วยบางทีมาวัดนะแต่ว่า ถึงแม้จะได้ทำความดีนะสร้างบุญสร้างกุศลฝึกจิตให้อ่างไกลจากการพึ่งผาการมมาสุขนะเชิดมาถือศีล8แต่ถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังให้ความหลงมันก็เข้ามาครอบงำใจได้ เช่นมาวัดแต่ว่าคิดห่วงกังวลนะคนที่บ้านคิดห่วงกังวลหนักอกหนักใจเรื่องหนี้สินนะอันนี้เรียกวา่าโดนความหลงเล่นงานซะแล้วนะคนเราไม่ได้หลงเพราะว่ากินเหล้าเมายาเท่านั้นนะหลงด้วยหลายสาเหตุ การที่จิตใจไม่อยู่กับปัจจุบันนะไปหมกมุ่นนะอยู่กับเรื่องอดีตหรือว่าไปกังวลกับเรื่องอนาคตนี่มันก็ทำให้หลงได้เมื่อมาวัดนะก็ต้องถือว่านอกจากเรามาทำความดีมาเพิ่มบุญกุศลให้กับจิตใจแล้วนะ ก็ยังเห็นว่าอ้การขาจัดปัดเปล่าความลงอไปจากจิตใจนี่ก็เป็นอา น, นิสงส์อย่างหนึ่งนะมาวัดก็ให้มาเติมความรู้ตัวนะให้มันเพิ่มพูนขึ้นมาในจิตใจในจิตใจเรานะจิตใจเรามันก็เหมือนกับ เมืองนะที่มีความหลงเนี่ยมันอยากจะเข้ามายึดครองความหลงหรือว่ากิเลสหรืออ ว, วิชามันก็พยายามที่จะเข้ามายึดครองจิตใจเราเพื่อใช้ใจเราใช้กายเราโดยซ้ำเนี่ยในการเผยแผ่ความหลงให้มันกว้างขวางออกไป รวมทั้งการไปทําความชั่วมันก็มันก็เชื้อโรคนะเชื้อโรคในร่างในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยเชื้อโรคนะทั้งแบคทีเรียแล้วก็ที่น่ากลัวกว่าคือไวรัสนะไอไวรัสเนี่ยมันที่ทาให้มันทให้คนเราเกิดนะโรคเช่นหวัดนะหรือว่า เป็นเอสเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็พยายามจะเข้ามายึดครองร่างกายเรามันเข้ามาในร่างกายมันก็เข้าไปยึดครองเซลล์ต่างๆในร่างกายเราแล้วก็สั่งให้เซลล์เราเนี่ยผลิตไวรัสเผยแพร่พันธุ์ให้มากขึ้นเพื่อจะกระจายไปทั่วร่างเลย กระจากไปทั่วร่างไม่พอมก็หาทางกระจากไปยังร่างของคนอื่นบางทีก็ผ่านทางน้ำลายนะผ่านทางสารคัดหลัง่งหรือของเหลวในร่างกายในะเวลาจามเนี่ยไอฝุ่นละององละอองน้ำลายนะมันก็ กระจายฟุ้งนะเนีย่ยนั่นก็มีไวรัสติดไปด้วยมันก็เข้าร่างคนอื่นต่อไปอันนี้มันเป็นความอยู่รอดนะของไวรัสนะแล้วก็เป็นหน้าที่ของมันนะที่ต้องการยึดครองนะร่างกายคนเราให้มากที่สุดกิเลและความหลงนะมันก็ทำมันก็มีคุณสมบัติคล้ายคกัน หรือว่าหน้าที่คล้ายๆกันก็คือพยายามหาทางเข้ามาครอบงาใจเราแม้แต่มาวัดมันก็มันก็หาทางเข้ามานะที่จะเล่นงานจิตใจเราเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาวัดแล้วนี่จะเป็นเขตปลอดอความหลงเป็นเขตปลอดอกิเลส พ่ามันไม่มีทางที่จะกั้นได้ไม่มีกำแพงไหนจะกั้นได้เขตปลอดเชื้อนี่มนุษย์เรานะสามารถทำได้นะตามโรงพยาบาลต่างๆก็มีเขตปลอดเชื้อนะเป็นห้องพิเศษนะไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาแต่ว่าเขตปลอดกิเลนี่มันแทาจะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าปากิเลสหมายถึงสถานที่เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันไม่ได้มีอยู่แต่ในร้านเหล่านะหรือว่าในแหล่งอใยมุกสถานเรืองรมบ่อนคาสิโ น, โนเท่านั้นนะตามบ้านเรือนหรือแม้แต่ในวัดวารามันก็เข้ามาได้นะก็เข้ามาในครอบงำนะจิตใจ ของคนที่มาปฏิบัติธรรมคนที่มารักษาศีลเนี่ยเหมือนกันเพียง แ, แค่นึกถึงลูกห่วงกังวลถึงงานการนะหรือว่านี่ศีลเนี่ยมันก็หลงแล้วนะเพราะว่าใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาหลงทำให้ทุกข์นะแล้วก็ทุกข์ทก็ทำให้หลงมากขึ้น แม้แต่คนที่มาปฏิบัติธรรมนะี่ไม่ใช่แค่มารักษาศีล น, นะมาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะนะมันก็เป็นเหยื่อของความหลงได้เหมือนกันน ะ, ะหลวงพ่อเขียนยงเคยเล่านะนี่หลวงพ่อรูปหนึ่งท่านก็ตั้งใจปฏิบัตินะเอาจริงอาจาร ก, การปฏิบัติมากะทั้งเดินจงกรมทั้งสร้างจังหวะ แต่ทาไปทาไปก็เครียดหน้าตาหน้าดำคร่ำเคร่ง เ, เคร่งจนเครียดเลยทอทำไปอีกสักพักเอาเห็นท่านเอารองเท้าแตะนีฝ้าถัวแล้วนะแล้วก็บนแปลว่าทำไมไมันคิดมากเหลือเกินทไมไมําคิดมากเหลือเกินนะคือโมโหนะ โมโหโกรธโกรธาจิตใจที่มันเต็มไปด้วยความฟุง้งแล้วคิดว่าจิตใจก็อยู่ในหัวสมองนี่แหละก็เลยเอารองเท้าฟาดหัวอันนี้เรียกว่าหลงแล้วนะตั้งใจจะมาประเดือดเพื่อให้เกิดความรู้ตัวนะแต่สุดท้ายก็โดนความหลงเล่นงานนะหรือบางท่านเนี่ยนะ ปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะจู่ๆนะประมาณตีสองตีสามก็ไปรออยู่หน้าวัดพร้อมทั้งอัฐบริขารสะพายบาตรเตรียมเดินทางไปรอทำมามอยู่หน้าวัดนะก็เพราะไปคิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมแล้วแล้วก็เข้าใจว่าญาติโยมจะรับกลับบ้านไปไปสอนธรรมไปเผยแร่ธรรม มันปรุงแต่งไป น, นะไม่ใช่ปรุงแต่งว่าตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมแล้วแตงปรุงแต่งว่าญาติโยมจะมารับนะเพื่อจะไปโปรดสัตว์ให้มันอพ้นจากความทุกข์คิดไปเองทั้งนั้นแหละเนี่ยเรียกว่ามาโนมนะอันนี้เรียกว่าเรียกความหลงนะหลงหลงว่าตัวเองตัสรู้นะแล้วก็หลงว่าตัวเองนี้นะจะมีคนมาแหนแหนะ่พาไป เผยแผ่ทำบางคนก็นะไปปฏิบัติวัาสนามในนะจู่ๆก็ไปเดินนะไปเดินจงกรมอยู่บนสะพานลอยนะแถวๆหน้าวัดสนามในนะมันสะพานกรุงทนเดินจงกรมทั้งคืนเลย เป็นพระนะตำรวจเห็นก็แปลกใจนะนิมนให้ลงมาจากสะพาน ล, ลอยก็ไม่ยอมลงนะบอกว่าเนี่ยพระอาทิตจะขึ้นจะลงเนี่ยห้ามไม่ได้นะคิดว่าตัวเองเป็นพระอาทิตย์แลระมังนะอันนี้เรียกว่าหลงนะคิด่าตัวเองตัดสู้นนะเป็นเหมือนพระอาทิตย์นะ อันนี้ว่าเป็นเพราะนะการปฏิบัตินะปฏิบัติไปปฏิบัติมากลายเป็นหลงไปกว่าจะแก้อารมณ์ได้นี่ต้องหลวงพ่อบอกว่าต้องพาไปไม่ใช่กลับไปวัดสนามนายต้องพาไปถึงโน้นเลยนะไปวัดปากพุทธยานช่วยให้ขุดส่วมนะขุดส่วมขุดหลุมทำส่วมดินมันแข็งเนี่ยที่นั่นมีหินลูกหลัง ขุดไปขุดไปเอา้าขุดไปได้สักเม็ดหนึ่งอาให้ไปขุดที่อื่นต่อร่อให้ไปไปใช้แรงให้มันหายให้มันเหนื่อยพอเหนื่อยมากๆนี่มันก็ไอ้ก็จะหลุดจากวิปัสสนูนะหลุดจากนิมิตได้กลับมาเป็นปกติกลับมารู้ตัวใหม่ไอ้ความหลงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่เมาเหล้านะหรือว่าเล่นการพนันนะจนเอ่อหมดเนื้อหมดตัวเท่านั้นนะ มันไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะคนที่เที่ยวกลางคืนนะเอาแต่สนุกสนานเท่านั้นคนที่อยู่ในวัดนะหรือว่าตั้งหน้าตาปฏิบัติธรรมทั้งหน้าที่ต้องการจะสร้างความรู้ตัวนะเติมปัญญาให้กับจิตใจขับไล่ความหลงให้ออกไปจากชีวิตนี้กลับภาคท่าเสียทีนะ ให้ความหลงเข้ามาครอบงมจิตใจได้ให้ความหลงลึกกิเลนี่มันมันน่ากลัวนะเพราะว่ามันเก่งมากมันมีเล่เหลี่ยม เ, เ, เ, เยอะแม้กระทั่งตั้งใจมาวัดเพื่อทำความดีตั้งใจมาวัดเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อ ทำให้เกิดความรู้ตัวทำให้เกิดวิชาทำให้เกิดแสงสว่างแต่ทําไปทําไปนะความมืดเนี่ยมันกับครอบงมจิตใจนะคือเกิดความหลงขึ้นมาแต่ไม่ใช่หลงเพราะเมาเหล้านะแต่หลงเพราะว่าติดนิมิตบ้างหรือว่าหลงเพราะว่าขาดสติ ส่วนใหญ่ก็เพราะขาดสตินั่นแหละนะถึงจะให้หลงอยู่ที่ว่าขาดสติเพราะอะไรนะคนธรรมดาคนทั่วไปขาดสติเพราะกินเหล้านะบางคนขาดสติเพราะวาความโกรธนะมีความโกรธมากก็ลืมตัวนะไม่ใช่ทาร้ายข้าของหรือว่าต่อว่าด่าทอบางคน โกรธแฟนมากนี่เมื่อวานได้อ่านข่าวเนี่ยประเทศประเทศจีนโกรธแฟนมากหญิงสาวไม่รู้โกรธเรื่องอะไรไม่ได้ดูรายละเอียดเห็นแต่ภาคหัวข่าวก็เลยฉีกเสื้อผ้านะให้มันขาดนะต่อหน้าผู้คนเลยก็คือเปลือยนั่นแหละนะฉีกเสื้อผ้าขาดต่อหน้าอา่าต่อหน้าแฟนนะแฟนหนุ่ม เนี่ยเปย์ละเปยล่างทั้งตัวเลยนะต่อหน้าผู้คนแะไม่ใช่เฉพาะแฟนเนี่ยอันนี้เพราะอะไรนะอันนี้เรียกว่าความหลงมันหลงเพราะอะไรหลงเพราะว่าโกโรธนะน้อยเนื้อต่ําใจแต่นอกจากหลงเพราะเมาหลงเพราะเมาเหล้าหรือว่าหลงเพราะเมาเอารมแล้วเนี่ยนมันก็หลงเพราะเมาการปฏิบัติก็มีนะเมาการปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปเอาเมานะ นะที่มาเพราะความอยากได้นะอยากบรรลุธรรมนปะฏิบัติธรรมก็อยากจะบรรลุธรรมนะการที่ความหลงมันจะออกไปจากใจนี่มันกลับนะแพร่ระบาดนะลุกลามเข้ามายัดครองจิตใจเราหนักขึ้นไอตัวหลงนี่มันเป็นนักโชวโอกาสนะมันโชวโอกาสเก่งมากเลยแม้แต่ มาวัดเพื่อปฏิบัติธรรมนะเพื่อจะขับไล่ความโลงไปจากใจน้องยังหาช่องเข้ามาเล่นงานนักปฏิบัติได้อาศัยช่องว่างนะอาศัยช่องโหวช่องหัวเกิดจากอะไรนะช่องหัวเกิดจากความอยากนะอยากจะบรรลุธรรมไวๆนะ อยากจะให้ใจสงบนะอันนี้เรียกว่าเป็นการเปิดช่องให้กิเลสและความหลงเข้ามาที่จริงความอยากก็เป็นกิเลสในตัวมันเองอยู่แล้วนะคนเราก็มีความอยากได้หลายแบบอยากบัางประหนีตบ้างอย่างยอยากก็อยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตนะอยากเป็น เจ้าคนในคนจนกระทั่งสามารถที่จะทำความชั่วได้โกหกหลอกลวงคอร์รัปชันหรือว่าทรยศหักหลัง อ, อ่า น, นั่นก็พอความอยากอยากมากๆก็ลืมตัวนะอยากจะทำความดีอยากจะไปทำประโยชนกับบ้านเมือง ไปสมัครเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีแต่ความอยากมันก็ทําให้อยากได้อยากเป็ น, นก็ทําให้ยอมทําทุกอย่างแม้กระทั่งทําความชั่วนะเพื่อได้ไปบรรลุวัตถุประสงค์แต่พอได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วได้เป็นสอ ส, อสได้เป็นรัฐมนตรีก็แทนที่จะทําความดีตามอุ ด, ดมคตินะก็กลายเป็นการหาประโยชน์ใส่ตัวหรือพวกพ้อง อันนี้ก็เรว่าโดนความหลงเล่นงานโดนกินเลสค่อบงำนะอยากจะทําความดีแต่ลงท้ายกลายเป็นทําชั่วไม่ต้องเป็นนักการเมืองก็ได้นะคนทั่วไปธรรมดาเนี่ยทําความดีเช่นดูแลพ่อแม่พ่อแม่ป่วยอุตสาห์ลางงานมาทิ้งงานการมาดูแลพ่อแม่ใหญ่ให้พ่อแม่หายป่วย ก็พยายามากวดขันเรื่องการกินของพ่อแม่เรื่องการใช้ชีวิตพ่อแม่เป็นเบาหวานก็ไม่อยากให้กินของหวานไม่อยากกินพวกน้ําตาลเยอะจากคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ก็เพราะมันกินมากนั่นเองที่กินมากเพราะชอบชอบแล้วก็เลยติดติดเป็นนิสัย พ่อแม่บางทีก็แอ บ, บกินนะพวกข้าเหนียวทุเรียนนะพวกของหวานนะลูกรู้นะลูกก็โมโหต่อว่าพ่อแม่นะมนุษยาลา ง, งานมาทิ้งงานมาดูแลพ่อแม่แม่ทำตัวงี้แย่มากนะก็ด่าไปอันนี้เราทำด้วยความหลงนะ ถ้าไม่หลงมาไม่ไม่ด่าพ่อแม่บางทีพ่อแม่ก็บางคนก็อาจจะแอบสูบบุหรี่ขนาดเป็นมะเร็งปอดแล้วก็ยังแอบสูบบุหรี่พอลูกเห็นก็ว่านะว่าแรงแรงนะเสร็จแล้วก็มาเสียใจไอ้ที่ว่านั้นพ่าะอะไรนะก็เพราะความหลงนั่นเองนะอยากจะให้พ่อแม่มีความสุขกับกลับสร้างความทุกข์กับพ่อแม่เพราะว่าด่าพ่อแม่ อันนี้เป็นเพราะความหลงมันนะมันหาโอกาสมันเป็นนักฉวยโอกาสมากทีเดียวนะในความหลงและกิเลสเนี่ยประมาทมันไม่ได้มันฉวยโอกาสที่จะครอบงามจิตใจของเรานะมาเป็นนายเหนือหัวเรานะแม้กระทั่งคนที่ทําความดี มันก็โชว์โอกาสเข้ามาครอบงำจนกลายเป็นทำชั่วไปหรือว่ า, าสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ใกับผู้อื่นแต่จะช่วยพ่อแม่จะกลับสร้างความทุกข์กับพ่อแม่โดยการต่อว่าด่าทอเขาเนี่ยอันนี้เรียกว่าหลงแล้วไอ้ตัวหลงนี่มันเป็นนักโชกาสมากทีเดียวกิเลสเนี่ยเราต้องระวัง แล้วถ้าเราจะสือความหลงนะเราจะชนะความหลงได้นี่เราต้องฉว์โอกาสเก่งกว่านะเก่งกว่าตัวหลงนะหลวงพ่อหลวงพอขมเขีนบอกเนี่ยนักภาวานาต้องเป็นนักโว์โอกาสนะถ้าเราไม่โว์โอกาสนะไอ้ความหลงก็จะโว์โอกาสเล่น ง, งานเรานะเราต้องโชว์โอกาสนะที่จะเปลี่ยน ความหลงให้กลายเป็นความรู้นะหลวงพ่อท่านผู้อยู่เสมอนะเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้นะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์นะเปลี่ยนโกรธเป็นความไม่โกรธอันนี้เราอาศัยการโชยโอกาสนะนับพ อ, อนานที่เป็นนักฉวยโอกาสถ้าเราไม่โชยโอกาสไอ้กิเลสความหลงก็จะโชยโอกาสเล่น ง, งานเราแทนนะเราต้องโชยโอกาสนะเก่งกว่า ตัวหลงตัวกิเลสนะเวลาใครทำอะไรเรานะออใครเขาดา่าเราใครเข า, าต่อว่าเรานะเขาทำด้วยความหลงเราก็จะไปหลงตามเขายนะิ่งเขายิ่งเขาหลงมากเท่าไหร่เราก็ต้องตั้งสตินะเอาตัวรู้เนี่ยมาเป็นหลักเป็นประธานให้ไดนะ้แล้วก็ใช้ความหลงที่เขานะ ระบายใส่เรานี่แหละนะเปลี่ยนมันซะเปลี่ยนให้เป็นตัวรู้ซะก็คือเป็นอุปกรณ์ถือเป็นวัตถุดิบในการสอนธรมเนะอย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคของการปฏิบัตินะมันไม่ใช่อุปสรรคมนันอุปกรณ์นะเป็นเครื่องฝึกนะเป็นการบ้านนะเขาว่าเรานะด้วยความหลง ด้วยความเมาในอารมณ์นะเราต้องใชโอกาสนั่นแหละเอาตอนนั้นแหละนะมาอุปกรณ์มาเป็นอุปกรณ์สอนทำให้กับเราอย่างที่หลวงพ่อนั้นพูดนะว่าแม้ถูถกด่าก็เห็นสัจธรรมได้นะถ้าเป็ น, นักโชว์อกาศนะโชว์อกาศเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้เนี่ยนะพอใครด่าเรานะเออ แล้วก็เอามาใช้เป็นเครื่องนะเสริมสร้างปัญญาซะเลยวันนี้นี่เขากำลังแสดงสัจธรรมให้เราให้เราเห็นให้เราเห็นเรื่องอะไรนะเห็นเรื่องโลกธรรมแปดนะว่าสารเสย์กับดินทาเป็นของคู่กันนะให้เราเนความไม่เที่ยงนะว่าเมื่อวานนี้เขายังอารมณ์ดีอยู่เลยนะตอนนี้เขากลายเป็นยักเป็นผ่านไปซะละ ทังคนเรานี่ไม่เที่ยงเลยนะไม่ใช่เที่ยงไม่เที่ยงแปลว่าแก่นะป่วยเท่านะั้นนะบางทีคนดีๆกลายเป็นยักษ์เป็นมาได้นี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะบางคนคิดว่าเรียกว่านึกว่าตัวเเป็นคนดีนะแต่พอติดดีเข้านะมันก็ทําชั่วได้ง่ายไอ้ความติดดีนี่มันก็เป็นเป็นจุดอ่อนนะ ของนักปฏิบัติที่เปิดช่องให้ตัวหลงนะหรือว่ากิเลสนี่เข้ามาเล่นงานจิตใจเราได้เพราะว่าพอติดดีแล้วเนี่ยนะมันก็เกิดความหลงตัวลืมตนขึ้นมาอันนี้เรา่ ม, มานนะว่าฉันดีกว่าคนอื่นหรือไม่ก็อยากจะให้คนอื่นเนี่ยดีเหมือนเราหรือว่าทำดีเหมือนอย่างที่เราคิด ให้ความอยากตัวนี้ก็เป็นกิเลสได้ง่ายๆนะอยากให้ลูกดีเหมือนเราอยากให้ลูกดีเหมือนอย่างที่เราคิดนะพอลูกนะไม่ดีอย่างที่เราคิดก็โกรธนะโกรธก็ด่าว่าลูกนะลูกก็เถียงก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่บางทีก็ลงไม้ลงมื อ, อมีพ่อหนึ่งก็ว่าลูกนะลูกนี่ไปชกต่อยกับเพื่อน จนถูกลงโทษนะถูกลงเรียนลงโทษตัดคะแนนพอลูกกลับมาบ้านพอ่อรู้ลูกก็ว่าอพ่อก็ว่าลูกนะว่าทําไมทําอย่างนั้นทําไมใช้ความรุนแรงลูกก็บอกว่าเนี่เพราะเขามาด่าเราพ่อก็บอกว่าเขาด่าเราแล้วก็ทําไมต้องใช้ความรุนแรงด้วยทําไมต้องไปต่อยเขาเนะี่ยมันต้องใช้สันติวิธีนะ เขาว่าเราเราก็เถียงกลับสิเนะต้องใช้ความรุนแรงลูกก็เถียงพ่อนะเถียงไปเถียงมาก็ว่าพ่อเนะี่ยว่าพ่อเป็นคนอ่อนแอนะียใครเขาว่าเลยเราก็ยอมแพ้พ่อโกรธมากพ่อก็เลยตบลูกเลยตบหน้าลูกเนะี่ยเมื่อกี้พ่อเพิ่งสอนลูกอยู่ตรงหยกนะว่าให้ใช้สันติวิธี อย่าใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงแต่พ่อก็กับใช้ความรุนแรงกับลูกเพียงเพราะว่าพ่อเปพ่ อ, พ อ, พ อ, พอลูกนี่ไม่เห็นด้วยกับพ่อนะบางทีติดในยึดความยึดติดในความดีมันก็ทำให้เพ้อทำชั่วได้เหมือนกันนะยึดติดในสันติวิธีก็ทาให้เพ้อใช้ความไม่สันตินะ แก้ปัญหาก็ได้ไอ้ความยึดติดเนี่ยมันเป็นอุปทานนะมันเป็นกิเลสอย่างห น, นึ่งนะถ้าเรายึดติดเนี่ยแม่แต่ยุติดความดีมันก็เปิดช่องให้ความหลงเข้ามาครอบงําได้นพ่ออยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่รักสันตินะไม่ใช่ความรุนแรงแต่พอลูกไม่เป็นอย่างที่พ่อคิดไม่เป็นอย่างที่พ่อปรารถนา พ่อก็ชักโกรธไม่พอใจแถมลูกเถียงซิกนะเนี่ยงดีนะแค่ตบลูกนะบางรายนี่นะเถียงไปเถียงมาและพ่อกรดลูกมากนะเอาปืนยิงลูกตายเลยเสียแล้วตัวเองพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากยิงไปแล้วรู้ตัวขึ้นมาว่าทำอะไรรู้ว่าผิดรู้ว่าบาปมหาหันนะ เสียใจรู้สึกผิดหรือว่ากลัวว่าจะถูกตำรวจจับสังคมลงโทษประนามก็เลยยิงตัวเองตายอยากจะให้ลูกเป็นคนดีนะพอลูกไม่ดีอย่างที่ตัวเองคิดก็โกรธไอ้ตรงนี้แหละที่มันทำให้ความหลงเนี่ยเข้ามาครองงำใจได้ถึงขั้นทำร้ายตัวเองเราต้องระวังนะว่า ไอ้ตัวหลงที่เป็นนักโชยอกาสชั้นยอดเลยนะมันทำให้เราลืมตัวทำให้เราขาดสติหรนะือผู้ใหญ่ก็ว่าเป็นเพราะขาดสตินะไรที่ทาให้หลงนะคนเราหลงด้วยหลายสายเหตุนะหลงเพราะขาดสติก็มีหลงเพราะอาวิชชาก็มีนะหลายคนเนี่ยถึงแม้ว่าสติมียังมีสติหรือว่าสติดีนะแต่ว่า ก็มีอวิชานอนเนื่องนอันนี้เป็นการหลงที่ลื้อถอนได้ยากมากนะเฉพาะพระอริยเจ้าเนี่ยถึงจะลื้อถอนได้หมดนะไม่มีอวิชชาไม่มีความลงอีกต่อไปก็คือเห็นว่าทุกอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกอนัตตาแต่ถ้งมีอวิชชาอยู่ก็ยังมีความลึกความเห็นลึกๆว่าอะไรแล้วก็เที่ยงหรือว่ายึดอยากให้ตัวเองเที่ยงนะไม่แก่ไม่ป่วย ยึดอยากจะให้สิ่งต่างๆนี้มันให้ความสุขกับเราไปนานๆแล้วก็ยึดา่าเป็นตนัวเป็นตนอันนี้ก็เป็นความหลงเป็นความหลงที่ละเอียดมากนะแต่ว่าถึงแม้จะเราจะยังรื้อถอนความหลงตัวนี้ไม่ได้เนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยไอ้ความหลงเพราะขาดสติเนี่ยอันนี้มันอยู่ในวิสัยที่เราจะจัดการได้ก็คือพยายามที่จมีสติมีความรู้ตัวนะ ต้องฉลาดในการเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้นะเปลี่ยนให้โกรธให้เป็นความไม่โกรธนะนี่ต้องอาศัยสตินะสติมันจะทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนให้ลบให้เป็นบวกได้นะแล้วถ้าเรามีสติเมื่อไหรนะ่ในความหลงก็เข้ามาเล่นงานจิตใจไม่ได้เวลาทำอะไรแม้แต่เวลาทำความดีก็ต้องให้มีสติเอาไว้นะ ให้ทานก็ต้องมีสติมีความรู้สึกตัวนะรักษาศีลก็อย่าลืมอย่าทิ้งสติทิ้งความรู้สึกตัวไปนะปฏิบัติธรรมก็เป็นกันแต่ก็อย่างว่านะหลายคนก็มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวแต่ปฏิบัติไปปฏิบัติมาอา้าวกลายเป็นหลงแทนนะอย่างที่เล่าไว้ตอนต้นนะหลงว่าตัดสรู้บ้างหนะลงเอารองเท้าฟาดหัวบ้างนะหรื อ, อยังต่าๆก็หลงเครียดนะ กลัดกลุ่มแน่นหน้าอกเนี่ยให้ต้องต้องระมัดระวังนะไม่ว่าเราจะไม่ว่าจะเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นคนวัดหรือว่าเป็นอ่าเป็นคนที่อ่ารักษาศีลประมาทตัวหลงไม่ได้นะมันสามารถจะเข้ามาจู่โจมเล่นงานเราได้ตลอดเวลารวมทั้งเวลาเราทําความดี แม้แต่เวลาเราปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้ตัวมันก็สามารถจะทําให้การปฏิบัติธรรมกลายเป็นการเพิ่มความหลงก็ได้ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมจะ ด, ดีเสมอไปนะยิ่งทํายิ่งหลงก็มีเยอะนะเหมือนกับเวลาการให้ทานรักษาศีลยิ่งทําไปยิ่งหลงก็เยอะให้ทานเนี่ยก็หลงนะอยากโนดได้โนดอยากได้นี่นะกี่เลสครอบงํำนะ ให้ทานแต่ละทีก็กิเลสก็เล่นงานจิตใจนะถวายสิบอยากได้ร้อยถวายร้อยอยากได้ล้านเนะี่ยหรือว่าอยากจะไปอวดโชว์คนนั้นคนนี้รานะว่าฉันเป็นคนมีคนใจบุญสุนทานนะอันนี้ก็เรียกว่าหลงแล้วนะให้ทารักษาศี่งก็เหมือนกันนะก็ทําด้วยความหลงก็ได้ นะทำบุญแต่ว่าความหลงนะมันครอบงำจิตใจนี้เกิดขึ้นเยอะนับภาษาอะไรนะแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ทำด้วยความหลงมากทีเดียวก็เยอะเหมือนกันนัานต้องระวังนะต้องมีสตินะต้องมันมีสติรู้ตัวกลับมาดูจิตดูใจเสมอนะเวลามันเกิดความเกิดอารมณ์ฟู เวลาทำความดีเนะี่ยใจฟูขึ้นมาเนะี่ยก็ให้เห็นมันอย่าเข้าไปเป็นนะเวลามีปิติเกิดขึ้นก็อย่าเข้าไปเป็นมันเห็นมันนะเห็นความปิติเห็นความดีใจเห็นความเห็นใจที่มันฟูนะไม่ใช่หลวงเข้าไปเป็นมันเวลาปฏิบัติธรรมนะเจริญสติสร้างจังหวะเดินจงกรมมันเครียดก็รู้ทันมันนะ ก่อนจะปฏิบัติเนี่ยมันอยากจะอยากจะอยากจะสงบอยากจะเห็นรูปนามอยากจะบรรลุธรรมก็ให้รู้ทันมันอย่าทำด้วยความอยากนะถ้าทำด้วยความอยากแล้วก็เป็นจุดอ่อนให้อความหลงเข้ามาเล่นงานจิตใจเราได้มาใช้ใจเรามาใช้กายเราเนี่ยเพิ่มเพิ่มความหลงแพร่กระจายออกไปนะเหมือนตัวไวรัสนะที่มัน ครอบงำเซลล์ร่างกายเราเพื่อจะผลิตนะไวรัสแพรกระจากไปต้องฉลาดในการรู้ทันจนะึงต้องเป็นนักโฉโอกาสด้วยเฉ โ, โอกาสทุกเวลาทำอะไรก็ถือว่าเป็นการเจริญสติไปทำอะไรด้วยความรู้ตัวเสมอไม่ว่าจะเป็นเวลากราบพระรมวัดอาบน้ำล้างหน้าถูฟันกวาดใบไม้ ซักเสื้อผ้าต้องช่วยอกาศนะชวยอกาศ ส, สร้างสติเติมความรู้สึกตัวลงไปช่วยอกาสให้เป็นการปฏิบัติธรรมไปนะอยู่บนรถนะแทนที่จะปล่อยใจลอยกนะ็ใช้โอกาสนั่นแหละนะในการเจริญสติครึ่งนิ้วไปนะขณะที่รถติดหรือว่ารอเพื่อนอย่ามัวปล่อยให้ความเครียดมัน เล่นงานจิตใจเราก็โชวอากาศนะใช้เวลานั้นแหละนะปฏิบัติธรรมเจริญสติไปครึ่งนิ้วไปยกมืออาจจะพลิกมือไปพริกมือมาก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องมาว่าถึงจะปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่ใช่ว่าเวลาเดินตรงกรมสร้างจังหวะเท่านั้นเอเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ ว, ว่างๆนะก็ปฏิบัติธรรมได้ก็เติมความสึกตัวลงไป หรือแม้แต่มีคนมาต่อว่าด่าทอเราทำอะไรไม่ดีกับเราเราก็ตัวอากาสใช้มันเป็นอุปกรณ์ในการเจริญสติเป็นเครื่องฝึกสติไปเจ็บป่วยก็ใช้โอกาสนี้นเป็นโอกาสในการฝึกสติไม่ใช่ปล่อยให้ความหลงครอบงำเนี่ยเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาของหายเนี่ย ความหลงมันเข้ามาเล่นงานจิตใจเราได้ง่ายมากเลยของหายก็อาแต่ทุกข์รุ่มอกกุ้มใจเสียใจหรือเสียดายเจ็บป่วยก็เครียดกังวลวิตกเนะนี่ยตัวหลงนี่ยมันโชว์อากาสทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันโชว์อากาศเพื่อที่จะเข้ามาเล่นงานจิตใจเราเราก็ต้องโชว์อากาศกลับไปนะตรงข้าม นะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเจออะไรนะก็ใช้เป็นแบบฝึกขัดในการฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีสติให้มีความอดทนรูให้มีความไม่ประมาทนะอันละก็พอสมกับเวลาอ่ะ